อัลลอฮ์ ل ู م ทรงปราศจากชัยช ا ะของร ل บอบขอขอบคุณอัลลอ ل ์ขอขอบคุณอั ولم يجعل له ع งอ ا و َ إ م َ ل ِ ي ُ ن ذ ِ ر بَعْسًا شَدِيدًا م ِ ن ل د ن ه و َ ي ُ ب َ ش ِّ ر مُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَا ك ث ِ ي ن َ ف ِ ي مَا ك َ ث ي ن ف ي ع ب َ ا د َ و ي ن ِ ر الذين قالوا ت ق َ الله ولدا مالهم به من علم ولا لأبائهم كبرت كلمة تخرج من أفائهم يقولون إلا ك َ ذ ب ة ن ح ذ د ه ونستعينه ونستغفره وناتوب إليه ونعوذ بالله من شرولنا في سنا ومن سيئات أعمالنا ميَهده الله فلا مُضللَه وَمَيُضلٍ فَلا هاديَ له أشهد أن لا إله إ ل ى الله وَحده لا شريك له وأشهد أن محمداً أبده رسول اللهم ص m m a salli wa salli m u b ب r a k 'ala nabi jina wa h a b i b i n ا m ح s s a f a wa 'ala alaihi wa ashabihi wa man istan nabi s u n n a t أما بعد سبحانك لا إِنَّا إ ِ ل َّ مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ عَنْتَ أن عَلِيمًا حَكِيمًا วิชาภิเศษรีวิสิลิอัมรวะหลนกตมิลิสานีฟัฟูโวลิสลัมุอาลัยคุมวะร์ัตุลลอฮ์บรักาตุท่านเบลล่าวันนี้มีความความดีนะครับตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วนะครับ เขาอยู่ในช่วงวเวลาในเดือนอมตแล้วก็เป็นวันศุกร์ซึ่งมีคุณค่าหลายประการด้วยกันการถือสินอดดุอาของผู้ถือสินอดอัลลอฮ์สุฮาตลาจะตอบรับอยู่แล้วแล้วก็มาอยู่ในช่วงวันศุกร์ท่านาบานบดุลเลาห์อะลัยวะัลลัม บอกว่ามีช่วงเวลาหนึ่งของวันศุกร์ที่ผู้ใดขอด้อาอนจากอัลลอฮฺมาฮตลลาจะได้รับการตอบรับดังนั้นหวังว่าพวกเราทั้งหลายจะได้ขอดูอเยอะเยอะๆในวันนี้ตั้งใจเนียดรับเนียติกาฟในมัสิท d เรียนเรียนจบแล้วละหมาดวันศุกร์เลยก็ยังได้นะครับอิสซาลลันะครับแต่คงก็ต้องออกไปอาบน้ำละหมาดอะไรให้เสร็จสับเรียบร้อยอาจารย์คงยังไม่นะไปไปไปถึง เ, เวลาที่จะละหมาดวันวันศุกร์เลยนะครับจะมีเวลาที่จะหยุดให้กับพวกเรานะครับที่จะได้เตรียมตัว วันนี้เรามาถึงอายะที่11ของส ah ุราอัลฟุร์กเริ่มที่อายะที่11แล้วก็จะว่าต่อไปนะครับอย่าตั้งใจว่าถ้าไปจบที่อายะที่16ก็จะเป็นการดีนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องราวที่ ต่อเนื่องความจริงก็เรื่องราวต่อต่อเนื่องไปอีกนะครับแต่ว่าถ้าไปถึงตรงนั้นก็จะได้เห็นภาพความหมายที่เกี่ยวข้องเรื่องราวที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนก่อนที่จะเข้าสู่อายะ น, นี้จะขอย้อนกลับไปที่ได้กล่าวถึงเมื่อวาน เราได้พบว่าบรรดาผู้ปฏิเสธได้ตั้งคำถามหรือได้เสนอแนี่ยต่อ Allah สุบฮานุมตะอล่ะฮ์ึงพวกเขาไม่มีเสร็จเช่นนั้นได้ตั้งเงื่อนไขต่างๆในการที่จะให้นะครับเป็นบอกไนในว่าถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนี้พวกเขาจะ คงจะยอมรับท่านนาบีสุลต์ละหัวอเลิศลังแต่อัลลอฮฺสุลฮฺตัลละก็ไม่ได้สนองความต้องการของพวกเขาอัลลอฮฺสุลฮฺตลัลละเลยเลือกท่านนาบีสุลต์ละหัวอเลิศลังเป็นคนธรรมดาสามัญเป็นสามัญชนเป็นปุตุชนครับปุตุชนคนธรรมดาดังที่อาจารย์ได้อธิบายไปแล้วตรงนี้เองอยากจะให้พวกเราได้เข้าใจประเด็นหนึ่ง ในเรื่องของคำสอนของอิสลามว่าในคาสอนของอิสลามในยุค ข, ของท่านนบีลลอัเสลมเป็นนบีคนสุดท้ายล้วนบีบดียังไม่มีศาสนาจากอัลลอฮระทานลวนะครับต่อไปแล้วมีเพียงอิสลามเป็นศาสนาสุดท้ายเป็นอับดินอัลล เป็นศาสนาที่เป็นอมตะเป็นศาสนาที่เป็นสุดท้ายแลท่านนบีัลลัลลอฮวะสัลลัมก็ข้นอัมบียาอวันมุสลเป็นนะครับนบีคนสุดท้ายเช่นเดียวกันอัลลฮต์ละประสงค์ให้ศาสนาอิสลามวิถีของศาสนาอิสลามเป็นวิถีที่ธรรมดาสามัญ เหมือนกับที่อัลลอฮฺมาตาลาเลือกท่านนบีสุลต์ละหัวอลามจากมนุษย์คนหนึ่งที่เป็นคนธรรมด า, าสามัญไม่มีอะไรพิเศษไม่มีอภินิหารไม่มีอะไรครับปาฏิหาริ์ต่างๆทำไมองพูดเช่นนี้เนื่องจากว่าบรรดาระซูลก่อนหน้านี้อัลลอฮฺวาฮาตาลาได้ให้นะครับ อภินิหารดรือปาฏิหาริย์ต่างๆมากมายตามคำขอของผู้คนในยุคนั้นๆ น, น, นะครับดังเราจะเห็นได้ว่าท่านนาบีมูซาอัลลอฮฺสุลฮะตัลลาให้อภินิหารมากมายนะครับมัจ ย, ยุสัตเพื่อที่จะเพอเช่ น, น้าับพิจ อ, อนไม่ว่าจะเป็นไม้เท้าของท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นมือของท่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวอื่นๆอีกมากมายซึ่ง นะครับมีถึง9ก้าประการที่อัลลสุลฮะตลานี่ให้แก่ท่านนบีมุสาท่านนบีซอ่และอัลลอสุลฮะตลาให้อูดตัวใหญ่มาออกมาจากมาจากเขาและนบีคนอื่นอีกเช่นเช่นเดียวกันอัลลอฮฺสุาฮะตลาให้สิ่งที่เรียกว่าเป็นมอญิสัตแต่ถามว่าท่านนบีสัลลอัลลอฮลิัลลม์อัลลอสุลฮะตลาไม่ได้ให้เครื่องมือนี้มากับท่านนบีสลลอัลลอฮลิัลลมในการได้ว่าในการเรียกร้องเชิญชวนผู้คนไม่ให้อำนาจพิเศษ ไม่ให้ปฏิหารมาให้ใช้หลักเกณฑ์อัลอัครอัลอักรุบินอัสบาบหลักเกณฑ์อะไรครับอัครุบิอับห่งเหตุและผลเหตุและผลคำว่าเหตุและผลแตกจากแตกต่างจากคำว่าเหตุผล สังเกตนะครับมีคำ ว, ว่าเหตุและผลก็คือว่าท่าทำหมายความว่าเหตุผลคืออีกอย่างหนึ่งนะครับเป็นข้ออ้างแต่คำ ว, ว่าเหตุและผลหมายความว่าการที่จะให้บรรลุสิ่งหนึ่งต้องทำอย่างนี้หนึ่งสองสามถ้าหิวจะให้หิวคือกินคือดื่มถ้าเป็นโรคจะให้หายคือรักษาถ้ายากจน จะแก้ปัญหาความยากจนกต็ต้องทำงานต้องทำงานหาไรายได้นะครับจะให้มีสุขภาพดีต้องทำหนึ่งสองสามสี่ห้านี่คือวิถีของอิสลามนี่คือวิถีของอิสลามอันเป็นศาสนาสุดท้ายศาสนาที่เดินตามคัลองที่เรียกว่าฟิตรอฟฟิตรอคือธรรมชาติคือกฎเกณฑ์ที่อัลลอฮฺสุฮาตลาได้วางไว้นะครับ ถ้านะครับถ้าหากว่าอัลลอฮฺสุลฮฺตะลาได้สร้างไฟไฟคุณสมบัติข้อหนึ่งของไฟก็คือร้อนถ้าใครเอามือไปแย่ก็จะร้อนไม่มีอะไรครับไม่มีขาถาใดๆไม่มีอะไรที่พิเศษนอกจากการอนุวาตของอัลลอฮฺสุลฮฺตะลาซึ่งก่อนหน้านั้นอัลลอฮฺสุลฮฺตะลาได้ให้กับท่านนบีอิบรอฮิมอะลัยฮฺ แต่นี่อิสลามบอกว่านะครับอิสลามบอกว่าถ้าหากคนคนหนึ่งต้องการความสำเร็จเขาต้องทำหนึ่งสองสามสี่ห้าหรืออาจจะเป็นนะครับสิบข้อร้อยร้อยข้อทุกคนคนหนึ่งต้องการผลบุญเขาต้องไม่นั่งอยู่เฉยเฉยเขาต้องทำสิ่งนั้นต้องทำสิ่งนี้ นะครับไม่ได้นั่งไม่ได้นั่งฝันถ้าต้องการที่จะสแสวงหาจะต้องการความรู้ต้องสแสวงหาต้องอ่านหนังสือหรือต้องศึกษาค้นคว้าต้องวิจัยต้องถามภาอาลูอัลลิซิกอิงกุนตุมลาดะอัลามุนเอาลอสวาฮาตาลาบอกในนั้นก็ามว่าถ้าหากว่าคนไม่รู้เนี่ยครับเราไม่รู้เนี่ยให้ถามคนที่มีความรู้ถ้าหากว่าพวกท่าน เป็นคนที่ไม่รู้นี่คือช่องทางที่เป็นเหตุที่จะนำไปสู่ผลเหตุคืออะไรเหตุคือการถามเหตุคือการเรียนเหตุคือการอ่านเหตุคือการศึกษาค้นคว้าผลคืออะไรผลคือความรู้ที่เราได้รับแต่ชีวิตกนที่ศาสตร์ลอสอนนะครับเมื่อสักครู่เหมือนกันการที่คนหนึ่งจะอ่านได้ถูกต้องนอกจากว่าจะรู้ทฤษฎีแล้วเรียนรู้ทฤษฎีแล้วนะครับ ยังต้องปฏิบัติออกเสียงและที่สำคัญต้องมีครูเพราะเราไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าที่เราออกเสียงไปถูกต้องหรือไม่ถูกต้องถ้ามีครูคอยฟังว่าถูกต้องก็โอเคถ้าไม่ถูกต้องก็นะครับถือว่าไม่ถูกต้องเหล่านี้คืออะไรครับคือสบับที่พูดว่าสบับสบับคือเหตุ นะครับแล้วก็นำไปสู่ผลแต่การนั้นแต่กันนั้นในอิสลามจะต้องไม่ลืมมุซับบิบมุซับบิบผู้ที่ทำผู้ที่ให้เหตุมาและผู้ที่จะกำหนดให้เกิดผลสุดท้ายแล้วก็คืออัลลอฮฺวหฮาตาลาเราทำทุกอย่างทำดีที่สุดแล้วเรามีคำว่าตาวัก al ันอัลลอฮ แต่ว่ากัรอลัลราลอามอบความไว้วางใจแค่กับอลัลลอฮฺสุลฮัตตาลาเราทําดีที่สุดแล้วถ้ามันจะบรรลุผลก็บรรลุผลถ้าอลัลลอฮฺสุลฮัตตาลาให้บรรลุผลอนุมัติให้เกิดผลก็เกิดถ้าอลัลลอฮฺสุลฮัตตาลาไม่ให้เกิดผลก็ไม่เกิดเจ็บป่วยเรารักษาเต็มที่ตามกําลังความสามารถสุดความสามารถตามคําแนะนําของผู้ที่เชี่ยวชาญผู้ที่เน้นผู้อะไรก็ผู้ที่มีความรู้เช่นนายแพทย์ นะครับโรคนั้นก็นายแพทย์เฉพาะทางด้านนี้โรคนี้ก็เฉพาะทางด้านนั้นเขาให้คำปรึกษาเราว่าคุณต้องรักษาอย่างนี้เราเชื่อในตัวเขาเรารักษาตามนั้นนี้คืออัลอซุบินอัสบาบก็คือว่าหาเหตุที่จะให้เกิดผลผลคืออะไรคือต้องการหายหายไม่หายรักษาเต็มที่แล้วขอดูอาตอลอสหะตลาอยอัลลอ ขอให้ฉันได้หายอัลลอฮ์จะให้หายหรือไม่หายตาวักกันอัลลอฮถ้าอัลลอฮ์ไมห่หายก็ก็นะครับมอบพึ่งพอใจทั้งสองอย่างผลทั้งสองอย่างดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องถูกสอบสวนในวันอาเซรอก็คือเมื่อเราต้องการสิ่งหนึ่งอัลลอฮ์มาตะลาถามเราอะ เราได้ทํานะครับที่จะไปสู่สิ่งนั้นไหมถ้าเราต้องการผ ล, ลบุญในวันอาคีรอเราจะนั่งเพอ้อฝันว่าให้อัลลอฮฺสวาฮ์ตะลาให้อภัยโทษแต่เราไม่ได้ดิ้นรนขวนขวายนะครับอยู่เฉยๆถ้าเราต้องการความรู้เราไม่ได้สวายหาวิชาความรู้ตรงนี้แหละครับตรงนี้แหละที่เราจะต้องถูกสอบสวนถ้าเราไม่ละหมาถ้าเราไม่ถือศีลอดเราไม่ได้อัคบินอัลบาบที่อัลลอฮฺสวาฮ์ตะลาอัลลอฮฺสวาฮ์ตะลาให้ง่ายๆ ให้รางวัลตอบแทนหนึ่งความดีได้สิบบางครั้งเพิ่มพูนไปเท่าไรเจ็ดร้อยเท่าหรือจะคูนก็ไปอีกมต้ออัละเท่าทวีคูนก็ไปอีกเช่นการถือสินดการถือสินอัลลอฮฺสาฮฺตล拉นะครับเป็นข้อยกเว้นว่าอัลลอฮฺสาฮฺตล拉ขอดูแลเรื่องการถือสิน ด, ดด้วยพระองค์เองใช้เอกสิทธิ์ในการที่จะให้รางวัลตอบแทนกับคนที่ถือสินดอัลซามุ ลีวะอนาอจดีวิหีการถือสนดเป็นกรรมสิทธิ์ของฉันเป็นเอกสิทธิ์ของฉันและฉันจะให้การตอบแทนตอบแทนยังไงคนหนึ่งอาจจะได้รางวัล น, นิดเดียวคนหนึ่งอีกอาจจะได้เยอะแยะมากมายขึ้นอยู่กับบุคคลนั้นขึ้น อ, อยู่กับการขนขวายเพราะฉะนั้นอิสลามเป็นศาสนาของการขวนขวายของการขนขวายเพื่อที่จะให้ได้มาเพื่อที่ให้บรรลุผลไม่ได้นั่งอยู่เฉย ไม่ได้นั่งหลับตานั่งงอมืองอเท้าและอยากจะเป็นมหาเศรษฐีไม่มีในอิสลามนอนเจ็บป่วยนอนชมยอยไม่กินยาไม่มีอิสลามไม่มีในอิสลามบอกว่าให้อัลลอฮฺถ้าอร่อยหายก็หายถ้าอัลลอฮฺไม่ให้หายก็ไม่หายนั่งอยู่เฉยๆที่บ้านที่เกียรติอ่านหนังสือบอกว่าต้องการที่จะมินเป็นคนที่มีความรู้ต้องการจะเป็นนั่นต้องการจะเป็นนี่สิ่งนี้คือความเพ้อฝันไม่ใช่อิสลามไม่ใช่อิสลาม อยากจะเป็นคนฉลาดอยากเป็นคนนั้นเป็นคนนี่แต่ว่าไม่ได้ลงไม้ลงมืออันนี้ไม่ใช่อิสลามอิสลามคือคันลองที่เป็นฟิตร็อนะครับคันลองที่อัลลอฮสุฮาห์ตาลาได้กำหนดนะครับนี่คือที่อัลลอฮฺสุฮาตาลาได้เลือกท่านนาบีสัลลฺฮฺอะลัยฮิลมทุกอย่างเก้าวิธีชีวิตของท่านนาบีสัลลฺฮฺอะลัยฮิสลมความเป็นมนุษย์ธรรมดาสามัญของท่านนาบีสัลลฺฮฺอะลัยฮิลมนบีเจ็บป่วยนะครับนบีปวดหัว นะครับนบีถูกทำร้ายยกกระด้างเลือดออกนะครับเลือดไหลนะเหล่านี้เป็นต้นนบีเผชิญห น, น้ากับความยากจนนบีต้องสแสวงหาปัจจัยยงชีพด้วยตัวเองเหล่านี้คือแบบอย่างคือแบบอย่างคือขั้นรองอิสลามเดงท่านนาบีสลโลโลลุลต์อเลสลามคือต้นแบบของการเอาวิถีอิสลามมาใช้ดังนั้นในสังคมของเราอาจจะมีคนที่ไม่เข้าใจอิสลามหาวิธีการที่มันพริกแพง หาวิธีการที่มันเหนือธรรมชาติเพื่อที่จะให้เป็นอย่างนั้นให้เป็นอย่างนี้นะครับเสกเป่านะพี่พวกพ่อมดหมอผีทํากันไม่ใช่ครับไม่ใช่อิสลามไม่มีใครที่ยามครูคนไหนในโรงเรียนหานเยาวิกันนะครับอุสซัดคนไหนโตครูคนไหนมานั่งเธออยากมีความรู้ไหมมานั่งแล้วก็มุบบิบมุบม บ, บ, บแล้วก็เป่าฟู่กลายเป็นคนมีความรู้ไม่มีใครคนไหน ที่จะสามารถเสกเธอให้เป็นคนขยันได้ <c oughs> ไม่สามารถที่จะเสกเธอให้เป็นคนขยันได้หรือแม้แต่จะนอนหลับอยู่จะนั่งอาจารย์จะนั่งหลับน่าจะนั่งหลับตาแล้วก็ขอให้นายนายคนนั้นนะครับเด็กหญิงคนนี้นางสาวคนนั้นตื่นขึ้นมาได้แล้วได้เวลาละหมาดแล้วนอกจากว่าต้องใช้ไม้บางคนถึงก็ต้อง ไปปลุกที่เตียงถึงจะตื่นขึ้นมานี่อิสลามไม่ได้มีอะไรเป็นของที่วิศเศษวิโสถ้าใครมีโอกาสอ่านหนังสือเล่มหนึ่งขอแนะนาอาจารย์อ่านนานมากแล้วเป็นยี่สิบปีแล้วนะครับเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วไม่ไม่มีอยู่ที่บ้านหนังสือเล่มนี้อ่านสมัยที่ เ, เรียนมัธยมปลายฮาฮาดีฮาดีดดนนี่คืออิสลาม ศา ส, สนานี้ต้องนะครับใครคนเขียนจับเซี๊ยบกุดตุบจะพูดถึงความนะครับถึงความเป็นอิสลามเนี่ยว่าเป็นยังไงเป็นความธรร ม, มดายังไงนะครับเป็นไปตามเหตุและผลนะครับวิถีชีวิตไม่ได้วิเศษพิโสเช่นที่มุฮัมมัดสุลต่านอัลลอฮุซลาฮ์ก็ลาได้เลือกมุฮัมมัดสุลต่านและเป็นแบบอย่างที่จะเป็นกูดววละกูดัก้านาลาคุมกูดวัวด้ว อ, อัสว่า นะครับในอัลกรุรอานใช้คาว่าอุลอ um ัสวะ لقد كان لكم في رسول الله أسوة خاسنة มีในรสมะฮ์มหมุแบบอย่างแบบอย่างนี้หมายความว่าไงแบบอย่า ง, แบบางคือให้เราปฏิบัติตามปฏิแบัติตามยังไแบบงถ้าเป็นเป็นคนคนละคนเป็นคนเป็นคนพิเศษเป็นคนพิเศษ เ, เ, เดินบนน้าได้อย่างเงี้ยเราจะเดินตามได้ยังไง บินได้อย่างนี้มีคาถาพิเศษมียานพิเศษเราจะตามได้ยังไงไม่กินไม่ดื่มอย่างงี้ถ้าเป็นไมล์ไรกัทไม่กินไม่ดื่มแล้วเราต้องกินต้องดื่มแล้วจะตามได้ยังไงไม่แต่งงานอย่างนี้เราจะแต่งงานอ้าวถ้าไม่ได้พูดอย่างนี้เพราะว่ามีนักโทษอะไรเยอะแยะมากมายที่เขาไม่ได้แต่งงานเขามาสอนเรื่องครอบรเรื่องครอบครัวกับเราสอนได้ไหม สอนได้คุณไปอ่านหนังสือมาสอนว่าครอบครัวต้องเป็นอย่างนั้นนะต้องเป็นอย่างนี้นะแต่ถ้าเราถามกลับว่าคุณเคยมีครอบครัวไหมเขาจะตอบว่ายังไงในเมื่อคุณไม่มีเคยมีครอบครัวคุณไม่รู้หรอกรายละเอียดความละเอียดอ่อนของครอบครัวมันขนาดไหนนิสัยของผู้หญิงนิสัยของผู้ชาย นิสัยของลูกแต่ละคนอุปสรรคในการดำเนินชีวิตเวลาที่จะแบ่งปันมาสอนลูกเวลาที่จะต้องไปทำมาหากินเวลามันต้องขัดแย้งกันในครอบครัทวทาไงถ้าคนที่นะครับ อ, อะไรครับคนที่หัวแข็งหน่อยๆเขาบอกว่าคุณอย่ามาสอนผมเลยเรื่องนี้ผมน่าจะรู้ดีกว่าคุณเพราะผมเจอของจริง คุณอ่านหนังสือมาคุณฟังมาคุณได้ยินมาแล้วคุณมาสอนผมนี่ครับถ้าเราปรารถนาที่จะให้ใครตามมาเราเรื่องอะไรแสดงว่าเราต้องเป็นแบบอย่างและเขาแบบเราก็ไม่แตกต่างกันมนุษยธรรมาดาสามัญและไม่มีพิเศษไม่มียกเว้นว่ามนุษย์คนไหนนะครับไม่ในอิสลามไม่มียกเว้นในเรื่องในเรื่องศาสนาไม่มีว่าคนนี้พิเศษ คนนี้ไม่ต้องละห ม, มาดคนนี้ละห ม, มาดสามวัค ก, กตูก็พอเพราะยุ่งมากคนนี้นะครับเวลาไปํำฮัดเขาเป็นคนใหญ่คนโตครับจากกษัตริย์ซาอุดีกษัตริย์มาอะไรนะอากุงของมาเลเซียของอะไรโอ้โหคนพวกนี้เขาคนพิเศษแต่งชุดธรรมดาก็ได้เวลาไปฮัดคุณนุ่งสุบาสองผืนตามเงื่อนไขอะไรทุกอย่างเลยคุณจะตอว่าจัด ก, การตอว่าไม่เป็นพิเศษไม่ คุณไปไปต่อวัาเหมือนกับคนทั่วไปลูกคนทุกอย่างคุณต้องไปอยู่ที่มีนาคุณต้องไปที่อาราฟะคุณต้องไปคว้างนะครับคุณก็ต้องไปฟังอะไรครับเส้าหินคุณต้องทำทุกอย่างเหมือนกับเขาคุณจะถีเรื่องบินทรรมก็ไม่ได้ไม่มีครับไม่มีถ้าคุณมาละหมาด ถ, ถ้าอะไรครับถ้ากษัตริย์สันมานของซาอุดีเนี่ยมาที่โรงเรียนฐานยาวิทยาคารจะให้ละหมาดตรงไหน สร้างมัสิดพิเศษใช่ไหมนี่มาละมานตรงนี้มาละมาตรงนี้น จ, จะให้อยู่แถวหน้าให้เกียรติก็หน่อยในฐานะที่เป็นแขกการให้เกียรติกับแกก็เป็นเรื่องของอิสลามเหมือนกันนะครับก็มาอยู่ตรงนี้ไม่มีอะไรพิเศษดังนั้นนี่คืออิสลามแต่เราโรงเรียนหันใหญ่เบียคารก็อย่ามาเรียกอย่าใครมาเรียกร้องสิทธิพิเศษว่าผมเป็นลูกคนนั้นผมเป็นลูกคนนี้เราปฏิบัติเหมือนกันหมดละหมาดถ้าไม่ละหมาดโทษยังไงก็เหมือนกันหมด ไม่ว่าจะเป็นลูกอาจารย์ลูกนายตำรวจลูกนายทหารหนาลูกก็ครูโลกบาบอที่ไหนถ้ามาอยู่ในรั้วที่ใช้วิถีอิสลามเขาต้องทําเหมือนกันหมดเลยครูจึงบอกว่าช่วยบอกผู้ปกครองที่รักลูกมากเลยเกินสัปดาห์ไหนที่โรงเรียนบอกว่านักเรียนไม่ต้องกลับบ้านนะครับช่วยบอกผู้ปกครองว่าอายุครับมะครับไม่ต้องมารับผมนะ สัปดาห์นี้สัปดาห์นั้นก็าแม่กลับบ้านผมไม่ต้องการสร้างความสร้างความแตกต่างระหว่างเรากับเพื่อนเพื่อนเด็กบางคนไม่มีโอกาสได้กลับบ้านปิดแล้วยังไม่ได้กลับบ้านถ้ามะไปรับผมทุกสัปดาห์มะไปรับหนูทุกสัปดาห์คนเพื่อนๆนเขาจะมองยังไงเราพิเศษมาจากไหนเขาไม่ได้กลับแต่ว่าเขาจะตั้งคําถามกับครูนะครับครูก็เกรงใจผู้ปกครองมาเต็มยศ มาเต็มยศรถอย่างนี้มาจอดถึงพื้เพิ่จอดหน้ารถเบนจ์จอดหน้านะครับหอพักเดินลงนะ บ, บางทีก็ไม่ลงนะครับบางทีก็ไม่ลงบอกนะขอพาลูกกลับบา้านแต่พวกครู ก, ก็เป็นผู้น้อย <c oughs> ในเมื่อไม่เราไม่เอาอิสลามก็ทั้งหมดก็ควบคุมอะไรไม่ได้อิสลามมันเสมอภาคกันหมดไม่มีข้อไม่กี่ข้อแตกต่าง นะครับลองไปดูเราไปใครที่ไปหัดมาแล้วก็จะเจอคุณเวลาจะเข้าแถวก็ไม่มีการรัดคิวกับเข้าแถวสองชั่วโมงสมชั่วโมงคุณก็เข้าแถวอยู่นั้นหละคุณจะเป็นใครมาจากไหนเอออาโอ้ยไม่นายนายร้อยนายพันที่ไปฮัตเจอมาแล้วลดหน่อยไม่ได้เลไปก่อนไม่ได้เลยเพราะอยู่ในเมืองไทยไงอยู่ในเมืองไทยเคยเจอว่าถ้าคนเป็นคนนี้ได้รัดการรัดขั้นตอนไปอำเภอก็ขาลัดให้ไปจังหวัดก็เขาลัดให้ไปกระทรวงก็เขาลัดให้นะครับ ไม่ต้องนอนอยู่ที่บ้านเขาจัด ก, การทําให้ก็มีอันนี้คือนี่ครับอิสลามเราทุกคนสวามีพักต่อรอสวามิตรหลายอย่างมากใครอย่ามาพิเศษไม่มีพิเศษมหามัสะ ล, ะโ ล, โลลัลลอฮ์อิสลามนั่งเหมือนกับคนทั่วไปถ้ามีที่ว่างตรงไหนไปนั่งตรงนั้นมาเต็มแล้วนะครับมีที่ว่างตรงไหนมหามัสลลัลไปนั่งตรงนั้นแหละไม่มีข้ามคอข้ามหัวใครไปนั่งว่า นะครับไปเยี่งที่นะครับว่าตรงนี้ไม่ได้ไปมึงไปกูจะนั่งไม่มีเราชอบไหมระบบอย่างนี้ชอบั้มในเมื่อเราชอบระบบอย่างนี้เราใช้ในชีวิตของเราสิใช้ในวิชีวิตของเราเหมือนที่อาจารย์บอกเมื่อกี้เรื่องของโรงเรียนนะครับเรื่องของโรงเรียนเรานึกถึงเพื่อนนึกถึงเพื่อนโอมพอย่าเลยหนูยอมเสียสละเพื่อเห็นแก่เพื่อนเงินก็เหมือนกันเวลาจะกินอะไรเรามีสตังค์ เรามีสตังตับเิรือเาอาจารย์จะกินอะไรเรามีสตังยังไงเแล้วซื้อยโรตีใส่ไข่เอ้ยเมื่อวานโรตีใส่ไข่ของใครตรงนี้ลูกชายอาจารย์กินไปมาหมดสตังคไปซื้อใหม่นะอเดี๋ยวว่าลูกชายอาจารย์กินเดี๋ยวเยวไม่ได้ไม่เอาวางไว้ที่หมอนให้เพื่อนยกหมอนเอกไว้แล้วโรตีโรตีมันวางอยู่ลูกชายเห็นอาจารย์ก็จะห้ามก็ไม่ได้เพราะละหมาดอยู่พาไกินก้างหลังมาฉลองนะครับ ม า, มาบอกอาจารย์นะซื้อใหม่ให้ได้นะนะครับอันนี้เรื่องนอกเรื่องตกลงว่าตกลงว่าถ้าเรามีิจะกินเนี่ยเวลาจะกินถ้าไม่ให้เพื่อนกินอยู่ห้องเดียวกันนะครับอยู่เตียงใกล้ๆกันถ้าจะกินอะไรทำไงครับถ้าของมันมีน้อยอยากกินให้เพื่อนเห็น ถ้าของมันมีน้อยอยากกินให้เพื่อนเห็นไปแบบอบกินซะเพราะบางทีเพื่อนเขาอยากกินแต่เราไม่ให้กินแต่เราไม่ได้แบ่งปัดนี่ <c oughs> คือสิ่งที่มุฮัมมัดสอลลัลอะลัยซ์ลัมสอนนะครับมุฮัมมัดสลลัลอะลัยซลัมสอนถ้าเพื่อนละมาดอยู่ เราแมอยู่ตักเบ็ดแล้วเดินรองเท้าแตะแปะแปะเดินพุมปัปัมปัปัมอันน no ี้คุณมาถือสิทธิ์อะไรพิเศษสิทธิพิเศษจะไปห้องน้ําก็รีบไปแล้วก็รีบมาเดินคุยกันอยู่ตรงเนี้เนี่ครับวิถีอิสลามวิถีอิสลามนี่มันยังไกลจากเรายังไกลจากเราเราไม่เข้าใจถึงต้องบอกว่ามันเป็นแล้วก็อาจารย์ขอโยงมาถึงว่า ไอสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่ในสังคมที่เป็นจะเป็นอุปสรรคใ้คนี่การที่จะเป็นมุสลิมคนหนึ่งเนี่ยต้องเสียสละอย่างสูงมากการยอมจำนนต่อลอสวาฮาตาลาเนี่ยมันสูงมากคุณต้องละทิ้งบางอย่างอะไรความฟุ่งเฟอือแต่คุณคุณมีสตังค์คุณร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐี คุณจัดงานเลี้ยงคุณจัดงานเลี้ยงคุณฉลองโน่นคุณฉลองนี่นะครับนะครับจัดอะไรนะกาล่าดินเนอร์จัดโน่นจัดนี่นะครับเลี้ยงฉลองกันแต่ละทีหนึ่งจัดงานปาร์ตี้กันแต่ละทีเนี่ยครับใช้งบประมาณเท่าไหร่บางทีงบประมาณอันนั้น นับเป็นเป็นล้านล้านจัดงานทีหนึ่งเนี่ยนับเป็นล้านล้านเลี้ยงฉลองอย่าว่าแต่อะไรครัาไเล่าีนมันขวดเท่าไหร่ไม่รู้ไม่รู้แต่จะน่าจะรู้ไว้บ้างที่ความพุ่งเฟอ้อ ในระบบที่ไม่ใช่อิสลามระบบที่ไม่มีศาสนาอยู่นะครับไม่ใช่ไม่เพียงแต่อิสลามระบบที่ไม่มีศาสนาอยู่เนี่ยที่ผู้คนที่เป็นอยู่ในสังคมนี่นี่ยครับนึกออกไหมว่าเหล้าขวดละล้านเนี่ยมีไหมขอบอกเป็นความรู้นิดนึงนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ดับซิดนะแต่ว่าแต่ว่า มันมันก็ตัดสิทธ์ชีวิตของเราเหรอครับแในความเป็นจริงเราต้องอยู่กับความเป็นจริงและสิ่งเหล่านี้คืออุปสรรคที่เราต้องรู้ว่าเมื่อคุณถ้าคนคนหนึ่งอยู่ในชีวิตอย่างนี้เมื่อคุณมาศรัทธาในอัลลอฮ์เมื่อคุณมาเชื่อในเรื่องวันเตียมัดตั้ตงจะถึงอายะเ น, นี่ยครับมันกระจาวูบิดซาถ้าคุณปฏิเสธเรื่องวันฟื้นคืนชีพในโลกนี้ก็เละไม่มีใครที่จะมาควบคุณควบคุมกันได้ ทุกคนอยู่ตามอำเภอใจเหมือนกับที่มันเป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยสาเหตุอะไรครับเพราะไม่เชื่อเรื่องวันเกียร์มัตบันกะซาบูบิซาอสาเหตุสาคัญที่พวกนี้ไม่เอาอิสลามทั้งพวกกุรเรชนะครับพวกกุรเรชพวกปฏิเสธเหล่านี้สาเหตุสาคัญลึกๆแล้วอ้างโน้นอ้าง น, น, างนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยพอเข้ารับอิสลามแล้วมันเสียเสียของเสียผลประโยชน์ในจานวนนั้น อาจารย์ยกตัวอย่างของของปัจจุบันอาจารย์ไปเปิดดูเธอเชื่อไหมมีเหล้าแก้วหนึ่งที่ราคาเท่าไรเดาดิเดาดิฮะเท่าไหร่ แสดงว่าเคยเคยไปดูแล้วมั้งเท่าไรแปดเลยแปดแสนครับแปดแสนบาทแก้วเดียวสบ า, านบ่เอาเป็นขวดบ้างจัดอันดับไว้สิบอันดับทบเทนท็อปเทนจะได้รู้ไงสังคมมุสลิมไม่รู้สังคมไม่ได้คนที่จะมีอิสลามได้ต้องรู้ยาฮิลียาคนที่จะมีเตฮิตได้ต้องรู้ ต้องรู้อะไรครับต้องรู้เรื่องชีริกว่าเขาตั้งชีริกกันยังไงอันนี้คือหลักอันนี้คือหลักครับถ้าจะรู้อิสลามให้ชัดความยิ่งใหญ่ของอิสลามยังไงเราต้องรู้ว่าความเละเทะความระยำต่าช้าของระบบยาฮิลิยาห์มันเป็นยังไงมันไปไกลขนาดไหน ลาจะสัตย์ยงูนาสบิลลที่ผ่านอเยทที่ผ่านมาเนี่ยว่ามันหลงจนกระทั่งว่าดั่ลูลาจะสตยอยนาสบีลาหลงจนกระทั่งว่าหาทางกลับไม่เจอแล้วมันไปเอาไกลมากอ้าวอันดับสิบกับอันดับเก้าอาจารย์ไม่ไม่เอาตัวรายละเอียดตัวเลข น, นะไม่ไอไอทศนิยมข้างหลังเนี่ยอาจารย์ไม่เอาตัวเลขข้างหลังไม่เอาอันดับสิบกับอันดับเก้าเนี่ยห้าล้านบาท ควรนึงอลองนึกไปที่อันดับหนึ่งที่อยู่ทียรไทยเธอลองเดาไว้ลงหน้าอันดับแปอันดับเจ็หกล้านกว่าอันดับไม่ใช่อันดับแปอันดับเจ็ดหล้านกว่าอันดับหกโอ้ยยี่สิบล้าน ขวดเดียวครับขวดเดียวจ้าไม่แพงไม่ถูกไม่แพงแค่ยี่สิบล้านเองหนูอันดับสีอันดั บ, 4, ดบ5้าเลยครับมีชื่อเรียบร้อยเคยไปไปไปเสิร์ชใน Google จะมีชื่อให้ทั้งหมดเลยขวดเป็นยังไงเขาทำจากอะไรต่างๆเนี่ยอาจารย์โอแคตัวเลขพอหอมปากหอมคอ อันดับสีบ 5, ่อันดับห้าสามสิบสามล้านอันดับสามหกสิบสองล้านอันดับสองลองเดาสิอะไร แปดสิบเก้าสิบหนึ่งร้อยผิดหมดแค่ร้อยสิบห้าล้านบาทเองขวดเดียวถ้างั้นอันดับหนึ่งจะซักเท่าไหร่นะฮะ ห้าร้อยล้านหกร้อยล้านเจ็ดร้อยล้านหนึ่งพันล้านสักเท่าไหร่ดีฮะไม่แพงหรอกจ้า <c oughs> <c oughs> แค่หนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบสองล้านเอง และอิลาฮอิลลัลลอฮในโลกนี้มีนะครับนี่ความอัศจรรย์ของยาฮิเลียนี่พวกที่ไม่เชื่อชีวิตหลังความตายไม่เชื่อชีวิตหลังความตายจะอะไรจะกินได้อะไรจะเสพได้อะไรจะอัดเข้าไปได้อะไรจะยักเข้าไปได้ ขอริจารโทษใช้ศัพหยับมันเอาหมดแลละบนโลกนี้ทรัพย์สินใครมันโกงได้ก็มันโกงไปนะครับมันจะกดขี่คมเหงใครก็กดขี่คมเหงไปนะมันจะทำสีนาสักผู้หญิงสักกี่ร้อยกี่พันคนมันก็ทำไปนะครับนี่คือภาพของการไม่ศรัทธาในเรื่องของอาเธอร์ ก uh, hmm. ุล <Safe anor mark> ูนะเรียกว่าอะไรเขายะวันละนี้นกฟาโรยะกุลูอาจารย์ตอุศยะกุลูนกามาตากุลุนอัลอาบวันนารุมัชวัลลัฮุมบรรดาผู้ปฏิเสธกินเหมือนกับปัสสาวะกิน กินขนาดไหนครับกินกินกินกินจนกระทั่งท้องบดมเหมือนกับปัสสตว์กินวันนารุมัสวันลมทำไมต้องกินขนาดนั้นทำไมต้องกินต้องโลภขนาดนั้นพรุ่งนี้ได้กินข้าวไหมได้กินข้าวมีอยากเหนได้ว่าข้าวมีพรุ่งนี้นะครับทำไมต้องอัดกันไปตอนไหนที่จะละสินอด อัดโนนอัดนี่ก็ไปเหมือนกับว่าชีวิตฉันเนี่ยเป็นเป็นมื้อสุดท้ายแล้วเป็นมื้อสุดท้ายแล้วที่จะต้องทำให้เป็นสุดท้ายคืออะไรครับคือละหมาดอย่ารอเนี่อาจจะเป็นวัตตุสุดท้ายในชีวิตของฉันแล้วเพราะว่าสักประเดียวว่านอนหลับ้ารอสว่างตะลาไม่ให้ตื่นมาเนี่ยอาจจะเป็นวัตตุสุดท้ายสุดยุดสุดท้ายโรโกสุดท้ายของฉันนึกอย่างนี้ตลอดนึกอย่างนี้ตลอดนี่แหละครับแต่นี่เรา กินกินอีกถ้าไม่ประกาศให้ขึ้นหอพักประกาศแล้วก็ยังไม่ขึ้นกินกันสุบฮานอัลลอฮกินกันอะไรกันขนาดนั้นนึกถึงว่าพวุ่นนี้ยังสว่างพวุ่นนี้ได้กินอีกสุบฮานอัลลอฮนะครับเหล่านี้วิถีชีวิตของเราเนี่ยอยู่ในกฎเกณฑ์อยู่ในหลักเกณฑ์เหล่านี้แหละครับที่เป็นอุปสรรคที่ยิ่งใหญ่ที่ทำให้คนเนี่ยไม่สามารถปฏิบัติอิสลามได้ แม้กระทั่งมุสลิมเราเองก็เอาอิสลามบางส่วนไม่เอาบางส่วนเพราะมันขัดกับผลประโยชน์ตัวเองถ้ามีทรัพย์สินขนาดนั้นเอาในแง่มุมอื่นคนเหล่านี้เวลาจะมาบริจาคช่วยเหลือคนไอ้นุ่นไม่ประกาศนะไอ้ที่ไปไปไปกินเหล้าเป็นขวดแล้วเป็นไม่รู้กี่กี่ล้านอะ่ะ บรันดีควรหนึ่งหลายแสนเนี่ยนักการเมืองบางคนที่เราเคยทราบนะครับนะครั บ, รบหลายแสนเฉลียงจะฉลองทีหนึ่งเนี่ยเวลามันจะมาทำบุญบริจาคมันออกทีวีสเสร็จสรพเรียบร้อยเลยบริจาคเท่านั้นเท่านี้ให้ประกาศชื่อให้ทาโน้อย่างนี้ขอลดเงินภาษีขอสารพัดแต่เวลามันทำบาปเนี่ยมันแอ บ, บไปทำดีเหมือนกันใช่ไหย ทำนิดเดียวเราใจบุญท่นพวกนี้ใจบุญแต่ว่าจริงๆแล้วุชวานนลอที่มันไปเททรัพย์สินให้เหมือนกับว่าเททรัพย์สินลงทะเลเนี่ยที่มันเทเข้าท้องกระป่าเข้ามาในมันขนาดไหนครับนี่ต้องการที่จะบอกว่ามุสลิมไม่ใช่อย่างนี้และถ้ามุสลิมไม่ใช่อย่างนี้มันก็เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากเป็นเรื่องน่าความภาคภูมิใจมากผู้คนในโลกตะวันตกและโลกตะวันตกออกเมื่อได้รู้จักอิสลามแล้ว เขายอมกล่าวชาห์ดาเพราะอะไรครับเครื่องดนตรีกีต้าร์เครื่องดีสีตีเป่าของแคสตีเวนในอดีตราคาเท่าไรเข้ารับอิสลามล้วเล่าเอลลอกกลายเป็นขยะเลยของพวกนั้นอันนี้ใหญ่มากเลยแค่จะเปลี่ยนจากกางเกงที่มันรัดรูปเนี่ยมาเป็นกางเกงที่มันหลวมซะหน่อย มันยังหวงแฟชั่นเนี่ยมุสลิมเนี่ยยังหวงแฟชั่นที่จะเป็นมุสลิมที่ดีเนี่ยยังหวงแฟชั่นอยู่กลัวจะไม่ได้ทาลิปสติกกลัวจะไม่ได้โชว์ทรงผมกลัวจะไม่ได้โชว์เชฟโชก้นกลกัวจะไม่ได้โชว์หน้า อ, อกถ้าผู้ชายก็กลัวเสียทรงผมกลัวว่าหูที่ว่าเจาะรู้ไว้แล้วเนี่ยกลัวจะไม่ได้ใส่ ย, ยัดอะไรก็ไปใส่ทรงผมที่มันดูเท่ดูท่าเนี่ย จะเป็นมุสลิมมาละหมาดเพรามันเฉยสุดๆเลยกูไม่เอาอ่ะเอาพอปากหอมพอมาละหมาดวันศุกร์ก็พอไว้รุ่นมันเสียประโยชน์ไงถ้าเป็นมุสลิมเป็นมุสลิมที่ดีเนี่ยมันเสียประโยชน์เลยเป็นอุปสรรคเป็นอุปสรรคใหญ่เลยในการที่จะเป็นมุสลิมแต่หารู้ไม่ว่ามาตรฐานแห่งคุณค่าเมื่อกี้มาตรฐานแห่งคุณค่าของคนที่ไม่ศรัทธาในวันอัครีรอเนี่ย มาตรฐานแห่งคุณค่าคือวัตถุคือความร่ำรวยคือตาแหน่งชื่อเสียงเกียรติยศความสวยความหลอ่อนะครับความสวยความหลอ่อนะฐานะทางสังคมคุณมีตําแหน่งอะไรนะคุณมีตําแหน่งอะไรคุณมียศอะไรเหล่านี้คือค่านิยมเวลูของกินหนมครับกินหนมใครมีข น, นมให้หน่อย เนี่ยครับบริสุทธิ์แล้วก็จริงอะไระที่เขาเขาเขาบอกนี่คือจริงเพราอยากได้ขนมเขาไม่รู้ว่าเราเราจะลทำทาอะไรเรามียศอะไรแต่มันป้าของฉันมียศอะไรฉันไม่เกี่ยวนี่ป้าของฉันเด็กนะเนี่ยครับที่ว่าเป็นฟิตร้อนอยู่ในเด็ก โอ้ไมนได้ไงถ้าเกิดว่ามีใครมาว่าถ้ามีผู้ใหญ่มาเนี่ยโดนลากมือไปนั่งนานแล้วว่าอะไรไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่อะไรครับไม่รู้จักกาละเทศะอัลลอฮฺอิสลามดีนุนฟิตราะดีนุนฟิตราะศา ส, สนาแห่งฟิตราะติวะเนี่ยครับนี่แหละลูกๆทั้งหลายลูกบา่าวลูกสาวลูกชายลูกหญิงนี่แหละอุปสรรคที่เราไม่สามารถที่จะไปถึงอิสลามที่แท้จริงได้ ไม่สามารถที่จะไปถึงอิสลามที่แท้จริงได้เพราะมันติดอยู่อย่างลดยศติดเรื่องภายนอกนี้แต่คุณค่าที่อิสลามให้เนี่ยเป็นคุณค่านะครับเป็นคุณค่าที่มากกว่านั้นอิสลามให้คุณค่ากับชีวิตให้คุณค่ากับจิตใจให้คุณค่ากับรางวัลตอบแทนครับอิมเ อ, อิบทางด้านจิตวิญญาณนะครับ อาจารย์ไม่ว่าเธอหรอกนะลูกบ่าวลูกสาวทั้งหลายเพราะอาจารย์เห็นหนังคับผู้ปกครองหลายท่านก็ยังไม่หลุดเลยไม่หลุดเคตอยากอะไรทรงอะไรนะผู้หญิงที่ใส่รัดรูปนะเดอะเดฟอะรัดรูปแล้วไหนจะโฆษณาโฆษณาเรื่องแ ฟ, ง ฟ, งฟชั่น ลูกสาวจะยืนอยู่กับลูกสาวตะยืนอยู่กับมะไม่รู้ใครเป็นลูกไม่ใครเป็นมะนะครับความเป็นวัยรุ่นของมะสบฮาละลอแยกไม่ออกจริงๆอาจารย์จะดีใจมากถ้าหากว่ามาอยู่หอใจวิทยาคารแล้วกลับไปเปลี่ยนตัวเราและเปลี่ยนที่บ้านด้วยเธอจะไม่มีวันมีความสุขถ้าเธอเปลี่ยนคนเดียวจาไว้ ถ้าวันนี้เธอละหมาดแล้วกลับไปที่บ้านไม่ละหมาดเธอจะมีความสุขได้อย่างไรถ้าเธอแต่งตัวนะครับน่ารักใกล้เคียงกับคำสอนของอิสลามมากที่สุดกลับไปที่บ้านไม่มีใครแต่งไม่เคยมีใครแต่งเลย<ม>เธอจะมีความสุขอย่างไรเธอเกิดความเขาเรียกว่าอะไรครับความขัดแย้งตลอดเวลาขัดแยง้งขัดแย้งในใจตลอดเวลาว่า ป้าแมา่เราทําไมส่งเราไปที่หัดใหญ่วิทยาการที่เขาบอกว่าเขาอาจจะเขาบอกว่าใส่คําว่าเกินไปเคร่งเกินไปเคร่งเกินไปทําไมส่งมาเรามาที่นี่แล้วพอเราจะเปลี่ยนแต่มาก็ยังเหมือนเดิมป้าของเราก็ยังเหมือนเดิมเรามาอยู่หันใหญ่วิทยาการเห็นว่าบุหรี่เนี่ยมันเป็นของห้ารำแต่ป้าเราอ่ ขัดแย้งไหมเธอรู้สึกขัดแย้งไหมขัดแย้งนี่แหละภารกิจของยิ่งใหญ่ของการศึกษาว่าเราคนเราเรียนแล้วเปลี่ยนแล้วลีมาตะกูลูนามาลาตะฟานุนทำไมพูดแล้วไม่ทำเรียนแล้วปฏิบัติแล้วอไลลวลอาลการอะไรกรับความรู้และการปฏิบัติเราต้องไปเราต้องพยายามที่จะอัดดาวะเรียกร้องคนอื่นบอกคนอื่นด้วย ป้าน่าจะบอกให้ถ้าป้าไม่เลิกสุบรีนะป้าช่วยไปลาออกผมจากโรงเรียนใหายใจอักคันเลยพูดดีๆนะไม่ใช่พูดแบบเสียงแข็งเหมือนอาจารย์ป้าครับป้าไปลาไปไปนะครับไปช่วยเขียนใบลาให้ผมด้วยที่โรงเรียนใหา่ใจอักคันฮะทำไมอะ่ะเพราะที่โรงเรียนเขาว่าบุรีนี่หารม ผมรู segue, ้สึกไม่สบายใจเลยเวลาป้าไปรับผมแล้วเพื่อนเพื่อนก็เห็นป้าสูบบุหรีผมํำใจไม่ได้ผมเสียใจรองละอ้าจริง อั น, นชีวิตมันมันมันมันมันต้องจริงไงมันมันชีวิตที่หลอกหลอนได้งไงคุณบอกว่าคุณต้องการความดีแต่คุณยังยืนอยู่บนความชั่วขาข้ า, างหนึ่งจะขยับไปจะไปยืนบนความดีแต่ข้ า, างหนึ่งเนี่ยไม่ยอ ม, ไ ม, ยอมไม่ยอมที่จะก้าวตามไปเนี่ยมันจะไปได้ยังไงบอกให้ลูกสมมติเราเป็นพ่อแม่เนี่ยบอกให้ลูกละหมาดแต่เราไม่ละหมาดนี่มันจะทําได้ยังไงอ่ะมันไม่ใช่อิสลามนี่คืออิสลาม วิธีอิสลามวิธีองความยิ่งใหญ่ของอิสลามที่อิสลามยังคงอยู่อิสลามไม่เคยตายเนี่ยมันอย่างนี้มันโตทุกวันโตทุกวั น, วนเพราะศาสนาที่เป็นดีนุลฮักเป็นศาสนาที่แท้จริงเชื่อเรื่องวันอัคคีรอคุณมองไม่เห็นแต่คุณข้านะเราลองดิดดูว่าถ้าไม่เชื่อถึงการลงโทษของอลัลลอฮฺสวาตัดละที่จะมีถึงเนี่ยไม่เชื่อเรื่องนรกเนี่ยคนจะอยู่กันยังไง ผมจะมานั่งหาสวรรค์วิมานอะไรมานั่งเครียดอยู่ทำไมผมไปหาเสวงหาความสุขผมไปหาสตังค์ผมไปผมไปโกงผมไปขายยาบ้าให้มันได้สตังค์มาถ้าตำรวจไม่จับก็รวยกันไปเลยแล้วก็พอรวยแล้วผมก็ไปเที่ยวจะให้มันนะครับให้มันตะเลิเดเปิดเปิงไปเลยไปกันสดๆเลยเพราะชีวิตเรามีแค่นี้ใช่ไหมเพื่อนใช่ไหมเพื่อน นี่งานที่มันเป็นอยู่ที่มันเป็นของมันอย่างนี้เนี่ยอะไรที่มันเท่ๆเราเอามาใช้ใหหมดปากกาดินสอหนังสือกระเป๋าไปนะเสื้อผ้ารองเทา้าเอาให้มันสุดๆไปเลยชีวิตเราแค่นี้เองอินฮิยาอิลลาฮายาตุนัดดุนยานะยาอนามุตวะมานะนุ มีามาัมมอสินนี่นี่นี่นี่นี่ครับหลักของพวกนี้คือมหิยะอิลฮัยอตุนัดดุนยาชีวิตนี้ไม่ใช่ของเรานะครับชีวิตของเรานี่ไม่ใช่อื่นใดเว้นแต่ชีวิตของเราในโลกนี้มีชีวิตแล้วก็ตายแล้วก็จบ ว่ามานาหนูมีมัโอซีเราจะไม่มีการฟื้นคืนชีพไม่ถูกให้พื้นคืนชีพขึ้นม า, มาเพราะฉะนั้นคุณจะทําอะไรก็ทําคุณจะกินอะไรก็กินคุณจะอยู่ยังไงคุณจะเป็นอะไรของคุณคุณก็เป็นได้เอาให้มันหลุดไปเลยเอาให้มันสุดๆดไปเลยไม่มีแล้วชีวิตหลังจากนี้ ศาสนาแค่ข้ออ้างสันนเดศาสนาคุณธรรมอ้างให้เพื่อนกันนั้นเราไม่เอาศาสนาเห็นไหมที่เป็นอยู่ในสังคมอ่ะคุณธรรมจริยธรรมคุณธรรมจริยธรรมคุณธรรมจริยธรรมอ้างให้เพื่อนตัวเองไม่ได้เอาหรอกแต่สมัยก่อนนักการเมืองอะคุณธรรมจริยธรรมต้องเมียงนั้นต้องนี้คุณธรรมจริยธรรมต้องขึ้นใจขึ้นเวทีไหนก็คุณธรรมจริยธรรมแต่ตัวเองเน่ยเป็นยังไงสุภาพ บันบบ ا ل س ا ع นะมาถึงยะเียทีตัซีไปก่อนแล้วนี่แหละ บังกัโดบุวิซาที่ชีวิตของเขาได้เป็นอย่างนี้ที่ไม่ยอมรับโมฮัมมัดที่ไม่ยอมรับอันกุรานบอกว่าเป็นความมดเท็จบ้างเป็นอาซาตีดบ้างเป็นนิทานปรมปราบ้างโมฮัมมัดเป็นมนุษย์เดินดินนอนบนดินกินบนทรายไปเดินตลาดนะครับเป็นคนธรรมดาเป็นคนกระจอกอย่างเนี้ยเป็นข้ออ้างเท่านั้นแต่จริงๆแล้วพวกนี้ลึกๆแล้วก็คือว่าบังกัโดบุวิซามันปฏิเสธเรื่องการพื้นคืนชีพ แมวตามมูฮัมหมัดแมวกูเสียเสียของกูเป็นมาตั้งนานบุรีก็ตั้งสูบมาตั้งนานจะทิ้งง่าง่ายมันจะให้กูทิ้งง่ายงได้งี้ยกูสูบกูพามา จ, จนแก่แล้วมาไกลแล้วขอเดินต่อไปละหมาดก็ละหมาดบ้างไม่ละหมาดบ้างมานานก็อยู่อย่างนี้แหละให้มัน นะครับจะได้ทําเรื่องอื่นบ้างมันเสียเวลาละหมาดเป็นอย่างนี้มันกันตะบูวิสณ์มันยังคิดว่าอะไรครับของที่อยู่ในมือสิ่งที่ครอบครองเนี่ยมันมีค่ามาหาศาลมีค่ามากเหลือเกินบ้านเอย่ยรถเอย่ยทรัพย์สินเอย่ยเงินทองเอย่ยชื่อเสียงเกียรติยศตําแหน่งมันมีค่ามากเหลือเกินสําหรับคนที่ไม่เชื่อวันเกียรติแต่สําหรับวันเกียรติ เพระละหมาดสองรอกาศสุนัตสองรอกาศก่อนสุโบช่วยรุมมีลัดดุนยาวมาฟี่หาฮและมีบอกว่าละหมาดสุกนสุนัตสองรอกาศก่อนละหมาดสุโบเนี่ยดีกว่าโลกนี้และก็สิ่งที่มีอยู่ในโลกนี้ทั้งหมดเลยนึกออกไหมมีอะไรที่ดีกว่าโลกนี้เราเคยนึกไหมว่ามีอะไรที่ใหญ่กว่าโลกนี้ ฮะ huh? โลกนี้ไปวางไว้ใกล้ดวงอาทิตย์ขนาดไหนเลิกพักสิดวงอาทิตย์ไปไว่าวางไว้ดาวฤกษ์อีกบางดวงดาวฤกษ์อีกบางดวงไปวางไว้ที่ใกล้ดาวฤกษ์อีกบางดวงบางดวงบางดวงแล้วมันขนาดไหนไอคําว่าโลกนี้ใครเรามีหนดุนยาวมาพิยามันง่ายสําหรับอัลลอฮฺอัลอาอิละในจักรวาลนี้มีอะไรที่ใหญ่กว่าโลกไม่รู้กี่ล้านล้านเท่า แล้วมันจะไม่ดียังไงและสิ่งที่พูดที่จะให้ก็คือพูดที่ครอบครองลิลลาฮิขุซาอินอสซามาวะทิวันอ <laughs> ของอัลลอฮ์เนี่ยคือกลางแห่งจันทราทั้งหลายและแผ่นดินและการที่อัลลอฮ์บอกว่าใหรุมมีนัดเดินยาวมาพี่หามันเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่มากคูณเป็นเรื่องที่มองเห็นได้สัมผัสได้ถ้าบอกว่ามีอะไรที่ใหญ่กว่าโลกนี้นะอย่าว่าแต่บ้านของของแกเลยที่แกบอกว่าบ้านแกใหญ่แล้วเนี่ยมันมีอะไรที่ใหญ่กว่าโลกนี้อีกเ <Nie S 1> ชื่อไม่เชื่อกระดวงอาทิตยนะ์เลยที่ใหญ่กว่าดวงอาทิตย์มีหรือเปล่ามี มันง่ายสำหรับอัลลอฮ์สุบฮฺว่ามาได้กับ ال อัลลอฮฺเบออฺซีส <c oughs> เรื่องทั้งหมดเรื่องต่างๆนั้นสำหรับอัลลอฮ์สุบฮไม่ยากเลยไม่ใช่งานหนักสำหรับอัลลอฮ์สุบฮลไป อ, อก <c oughs> <c oughs> โลกนี้ในบางหะดีสลอกว่าโลกนะ ไม่ใช่สตังที่อยู่ในกระเป๋าของเราไม่ใช่เงินของเราที่ฝากไว้ในธนาคารไม่ใช่รถของเราที่จอดไว้ในโรงรถลกนี่นะถ้าช่างแล้วเนี่ยยังไม่หนักเท่ากับปีกข้างหนึ่งของยุงเลยปีกยุงปีกยุงมีสองข้างใช่ไหมนึกออกไหมเคยดูไหมเคยจับยุงดูว่าปีกขนาดไหนเอาเว้นขยายไปสองดูสิว่าปีกยุงขนาดไหนเอาข้างเดียวแต่เป็นตาช่าง นาอโลสราฮาตาลาปีกยุงข้างหนึ่งตั้งบนตั้งบนจานจานกิโลกิโล ท, ที่ที่มีสองจานอ่ะอ่าตั้งที่มีลูกตุ้มอันหนึ่งแล้วก็จะช่างของอว่านี่กี่กรมัมห้สิกรมัมร้อยกรมัมหนึ่งกิโลวางทั้งนี้แล้วก็มาวางของวางไก่ทั้งนี้วางน้าตาลทั้งนี้นักกิโลแบบสมัยก่อนช่างทองช่างอะไรนะอันเล็กๆ ก, ก็มีด้านนี้วางปีกยุง ด้านนี้วางดุนโย <c oughs> วางลูกนี้เป็นไงครับตาชั่งอันนี้อยู่ทางนี้นะปีกยุงอยู่ทางนี้ดุน ญ, ญาอยู่ทางนี้พอวางพร้อมๆกันปับ๊บปึ๊บ <c oughs> ปีกยุงพาดุนโยนี่กระเด็นหลุดออกไปเลยด้วยความที่ว่าปีกยุงหนักกว่าดุยโย นบีบอกหมดระบบคุณค่าระบบคุณค่าคุณอย่าเอาเรื่องวัตถุมาอวดคุณอย่าไปหลงกับเรื่องวัตถุคุณค่าอยู่ที่กาตออาคุณท่าอยู่ที่คุณธรรมคุณค่าอยู่ที่ตกวัอินน um um. ัอักัลมาโคมัยดัลลอฮิยะตกากุมอัลลอฮฺสวาตาลัลลอบอกคุณท่ามาตรฐานของฉัน คนที่มีเกียรติสุดคือคนที่ตักว่าต่ออัลลอฮฺมหาตาลามะติสุดนี่แหละที่เรากําลังเสวงหาตักวา่าดังนั้นมันกระบุวิชาแล้วตรงนี้จะไปไปเจอตรงไหนไปเจอตรงไหนโลกนี้มันตัดสินอะไรได้กี่เรื่อง โรงเรียนวางระเบียบไว้เธอฝ่าฝืนมีกี่เรื่องที่โรงเรียนลงโทษเธอได้จับได้นะครับเอาแะตั้งหายในหอพักจับใครได้บ้างจับไม่ได้ได้แต่สงสัยสงสัยก็ไม่ได้อีกนะอะไรนบี บ, บอกว่าเอกุมะดวน فإن الذن أكذب الحديث เที่ยวระแวงเที่สงสัยก็ไม่ได้นะีบอกว่าจงลีงหา่างอย่าสงสัยอย่าเที่ยวระแวงเพราะความระแวงสงสัยนั้นมันเป็นคําพูดเป็นเรื่องที่มดเ ท, ท็จยิ่งเพราะฉะนั้นอย่าที่สงสัยเราก็สงสัยไปหมดเลยสงสัยสงสัยละหมาด ก, ก็สงสัย ว่ามันเอ๊ะมีน้ําละหมาดได้ยังแต่ว่าครบแล้วยังไสงสัยไปหมดเลยต้องหายาเกณฑนต้องหาความเชื่อมั่นในชีวิตของเราอย่าไปสงสัยขังแข็งมีกี่เรื่องที่เราไม่รู้มีกี่เรื่องที่เราไม่ถูกตัดสินมีกี่เรื่องที่บอกว่ากูไม่เห็นตายเลยสุบรีอยันเคยได้ยินคนที่สุบรีตายก่อนคนที่ไม่สุบรีตายก่อนกูอีกพูดอย่างนี้แต่ตายแล้วเหมือนกันคนที่พูดอย่างนี้ก็ตายแล้วเหมือนกันตายเพราะว่าอด ป, ปอดเสียหมดเลย ตายที่หลังตายที่หลังมันไม่ด้วยหมายถึงว่าอันนี้ใช้มันติ๊กไงใช้ตักกะไงว่าถ้าไม่ตายเนี่ยคนอะไรคือที่พูดเนี่ยหมายถึงว่าถ้าสูบุหรีแล้วถ้าไม่สูบบุหรีแล้วไม่ตายไงน่มันจะให้สะใจพูดสะใจนะครับแต่ว่าก็ไม่เห็นนะครับตกลงว่ามีกี่เรื่องกี่ ท่านบอกไปเนี่ยไม่สามารถที่จะตัดสินชี้ขาดกันได้บนโลกนี้ถ้าโลกนี้ทำมาเพื่อให้เละเทะอย่างนี้ก็ผู้ที่ทำโลกนี้ก็แย่เหลือเกินแต่นั้นสุบฮานอัลลอฮ์สุบฮานอัลตาละอัลลอฮ์สวางตลาบุนอัลลอ์าตลาไม่ได้ทำโลกนี้ให้ไร้สาระไม่ได้ทำให้มาอ่ะเรียกว่าอัลลอฮ์สุฮาตัลละขลักสมาวาทิวันอับ วิลฮกสร้างมาจริงๆทำให้เป็นจริงนักวิชาการบางท่านว่าในโลกนี้มีแต่ของจริงทั้งนั้นเลยของจริงยังไง ท, ที่ที่มรกลกที่เราล้อซาตาลาดได้สร้างเราเห็นต้นไม้สีเขียวมันเขียวจริงเห็นนันนั้นเป็นอย่างนั้นหินแ ข, แข็งแข็งจริงเพราะเราไม่ได้หลอก เช่นเดียวกันกับระบบที่ทเดียวรัศมีตาลาสัญญาไว้ก็เป็นฮักเหมือนกันถ้าทำอย่างนี้จะได้อย่างนี้ถ้าเป็นอะไรครับใช้ชีวิตอย่างนี้จะได้อย่างนี้ก็นะครับก็จะได้ตามที่รัศมีตาลาได้สัญญาไว้เพราะฉะนั้นบอกได้เลยว่าถ้าหากว่าไม่เชื่อเรื่องวันเกียรมัติเนี่ยเละตุม้มอะไรเละตุ้มเปรอะโลกนี้ เหลวแหลกเหมือนกับที่เป็นอยู่เรื่องใหญ่ใจความคือคนไม่เชื่อเรื่องชีวิตหลังความตายแค่พูดกับปากเท่านั้นแต่จริงๆแล้วไม่เชื่อผะไม่เชื่อปั๊บคนคนก็อยู่ตามอาเภอใจตามที่เขาตามความต้องการของเขาตามอารมณ์ของเขาเลยเกิดความปั่นป่วนความหหยนะขึ้นบนโลกลฮารอนฟาซาดูฟินบรริวันบาฮรีบีมากาซาบัดไอดินนาส ความเสียหายความหายยนะความปั่นป่วนวุ่นวายฟาซัดเกิดขึ้นทั้งในหน้าน้ําในน้ําในทะเลเขาบอกไม่ทะเลไงทะเลกําลังจะเน่าปลากําลังจะหมดเรือผิดกฎหมายอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายสร้างความชั่วกันในทะเล เขาบอกว่าอีกห้าสิบปีไม่มีปลากินแล้วอีกห้าสิบปีปลาหมดทะเลเขาว่านะเขาว่าจากการคำนวณจากอะไรถ้าเป็นอยู่อย่างนี้นะถ้ามันขวรกลับไปใช้วิธีการแบบนะรักษาอนุรักษ์พันธ์สัตว์ก็อาจจะมีโอกาสผานฐ่านทรัพยากรผานอะไรต่างๆไม่มีวิธีที่ถูกต้องในการที่จะดำเนินชีวิตสารัตร์ฟินบารรในบนบกบนบก เสียหายบนปกติทะเลยังเสียหายบีมาสกับสบาดไอดนสัสเนื่องจากน้ํามือของมนุษย์เนื่องจากน้ํามือของมนุษย์มือของมนุษย์เองร้ายมากด้วยเหตุนี้วาเจดนาลิมกคดเด บ, บิสเซติเซยรา เราได้เตรียมไว้สําหรับคนที่ปฏิเสธชีวิตหลังความตายการชื้นคืนชีพเรื่องการาพิพากษาเรื่องการตอบแทนอัาฆาตสายรอเตรียมไฟไว้ให้มันเอาเปรียบคนอื่นพวกนี้เอาเปรียบคนอื่นสกาดไม่จ่ายมันเอารัดเอาเปรียบดูถูกเหยียดหยามมันโกยได้โกยเอามือใครยาวสาวได้สาวเอาแล้วคนที่ไม่มีสิทธิ์เขาไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะฉะนั้น ใครที่ทาอะไรไว้จะต้องได้รับการผลตอบแทนในวันอาทิตย์เอาล็อตมาตลาเตรียมไฟนรกไว้เป็นให้ไฟนรกอิจาระอัตหุมิมกาลิมเบลินสัมยิู่ละ สามิยูรละหะตะยิวด้วและฟีรอยาวไปบปล่ตั้ลเหอยาวเกินสองเลสฟีรอเ <c oughs> ปไ็นไงนรกบอกให้นรกไอรู้จักนรกไฟนรกสายไฟนรกเนี่ยนะนรกยานนมที่เตรียมไว้ สำหรับคนพวกเนี้คนที่คนที่ไม่เชื่อเรื่องวันเรื่องวันการพื้นคืนชีพไม่เชื่อเรื่องนรกไม่เชื่อเรื่องสวรรค์นเนี่ยพอนรกเห็นพวกเขาอิละรออัตฮุมพอนรกเห็นพวกเขาพวกไหนพวกที่อาจารย์พูดถึงเมื่อกี้พวกะ ท, ที่ปฏิเสธท่านนาบีปฏิเสธอัลลอฮ์ปฏิเสธรอซูลปฏิเสธเรื่องการพื้นคืนชีพ พ่อนรลกเห็นเขาเห็นตอนไหนมิมกาเิมไบเดินนรลกเห็นเขาตั้งแต่ไกลแล้วโจนโจนเรานึกนึกถึงโจนเลยสมมติว่าเรากำลังย่องอยู่เนี่ยกำลังย่องเบาอยู่ หันซ้ายก็ไม่มีคนหันขวาก็มีมีคนหันไปข้างหน้าก็ไม่มีคนได้เรียกว่าเสร็จกูแล้วเที่ยวนี้ <c oughs> จะขโมยเสตังเจ้าของไม่อยู่ <c oughs> แต่ถ้าหากว่าเจ้าของแอบอยู่ตรงไหนสักแห่งหรือมีกล้องวงจรปิดอยู่กำลังจับภาพเขาอยู่เนี่ย คนทําบาปไม่เห็นแต่ผู้ที่จะเล่นงานก็เห็นโจรไม่เห็นแต่ตํารวจเห็นก่อนแล้วเนี่ยมันอันตรายขนาดไหนและกระจากที่ไม่เห็ น, ท, นที่คนที่คนทาบาปไม่เห็นเนี่ยมันอยู่ไกลมากแต่บังเอิญว่านารกตายาวกว่าเห็นก่อนแล้วตั้งแต่เรียกพื้นคืนชีพ ม, มาแล้วโน่นพวกกูมาแล้วอยู่โน่นแล้วอยู่ที่มหัช์แล้วนันกวิชา ก, การ บางท่านนะครับในรุ่นก่อนบอกว่าระยะทาง500ปีบ้าง500ปี อ, อ, อาจารย์พูดผิดหรือเปล่าระยะทาง500ปีไม่ผิด500ปีบ้าง100ปีบ้างนะอย่างในของตันอิมนื้อกซิดเนี่ยบอกว่านะบอกว่าอะไรอัสุ ด, ดีบอกว่ามิมมาซีระติมิมมาซีระติเ ม, ม, มะติอาม นรกเห็นคนชั่วตั้งแต่ระยะทางไกลหนึ่งร้อยปีทำไมต้องนับอย่างนั้นเรานับเป็นกิโลใช่ไกิโลเมตรเป็นไม่แต่ถ้านึร้อยปีปีนี่เขาวัดอะไรเป็นระยะเวลาระเวลาเกี่ยวกับระยะทางได้ไงเดินทางถ้าต้องเดินทางเนี่ยใช้เวลาหนึ่งร้อยปีไงไกลขนาดไหน ในอวากาศเนี่ยเขาวัดเป็นปีทราบไหมในอวากาศที่มันว่วงเนี่ยระยะทางเขาวัดเป็นปีไม่ได้วัดเป็นไม้แค่ไม้นี่ระหว่างระหว่างโลกกับดวงจันทร์เนี่ยเท่าไรกี่ไม้หนึ่งแสนสองมื่นสี่พันไม้ระหว่างโลกกับดวงจันทร์ 1, 2, 000, 4, 000, รกก น, นี่วัดเป็นไม้ได้แต่ถ้ามันไกลจากนั้นไกลมากจะไม่รู้จะวัดยังไงเนี่ยเขาวัดเป็นปีแสงหมายถึงว่า แสงเดินทางถ้าแสงเดินทางหนึ่งปีต้องใช้เวลาในการเดินทางก็คูณก็ไปว่าแสงเดินทางนะระยะเวลาเท่านี้ระยะทางเท่าไหร่ถ้าแสงต้องเดินทางหนึ่งรปีใช้เะยะเวลาเท่าไหรเรียกว่าปีแสงหนึ่งรอปีแสงหนึ่งพปีแสงหนึ่งมืปีแสงเลยอันนี้นบีบอกมาก่อนแล้วระยะทางหนึ่งรปี ห้าปีในบางทัศ์ีบอกห0 0อปีไกลมากเห็นตั้งแต่ไกลอิาราอัตคุมมิมการมาการแปลว่าสถานที่ตั้งแต่ที่ใบตั้งแต่ไกลซเมียูพวกเขาจะได้ยินเห็นไม่เห็นไม่เห็นตัวแต่ได้ยินเสียงและอิละเห็เสียงนรกคำรามครับเสียงเดือด เสียงเดือดใครมีโอกาสไปอินโดไปยืนตรงปากเหวปล่องภูเขาไฟอะภูเขาไฟที่ที่ยังไม่ดับอาจารย์ไปมาแล้วเสียงจากตรงนั้นในวันที่มันดับเสียงความเดือดของมันเนี่ยเสียงคำรามของมันเนี่ยครับพร้อมกับควันที่พุ่งออกมา เล็กน้อยเนี่ยครับเสียงมันดังอยู่ตลอดเวลาแล้วเสียงที่ดังจากหนึ่งร้อยปีเนี่ยมันจะเสียงดังขนาดไหนอัลลอ์ให้ได้ยินเสียงคำรามแห่งเสียงแห่งความเดือดวาเลียนเสียงแห่งการเดือดเสียงแห่งความโกรธตะไร ย, ยูซนมีนั่นไโรโครบอัลลอฮ์ทำไมโกรธ สุนัขที่ถ้ามีคนเลี้ยงไว้เน <the> <ics> ี ah ่ยมันรักเจ้าของไหมรักเจ้าของไหรักเจ้าของถ้าใครมาทำร้ายเจ้าของมันช่วยช่วยเจ้าของใครสร้างนรกอัลลอฮฺสวาฮ์บัลลาทุกอย่างที่อัลลอฮฺสวาฮฺบัลลาสร้างมาตออัลลอฮฺสวาฮฺบัลลารักอัลลอฮฺสวาฮฺบัลลาเชื่อฟังอัลลอฮฺาฮลาเพราะฉะนั้นคนที่ทาความชั่วเนี่ยนรกโกรธ ซวีดเสวีดเสียงร้องโหยหวนมันเสียงนกหวีดนะได้ยินเสียงมาแต่ไกลเตรียมที่จะรับคำรามจะกบเคียวพวกนี้จะเผาผลาญพวกนี้เห็นชาวนรกเห็นคนที่ทำชั่วเห็นคนที่ปฏิเสธวันคืนคืนชีพเนี่ยนะครับซาเมอูลฮาตะไยยดตะยยูดอวะซะฟีรอ ยังไม่มหมดทีนี้ได้เวลาที่พวกเขาจะต้องถูกโยนไปลงไปในไปนรกดูสภาพครับว่อิซาอุาอลกูมินฮานนมะการะดายกัมมุกรรนีน เมื่อพวกเขาถูกโยนลงไปในนั้นลงไปยังที่ที่มากานั้นใบิกคนนรกนี่ใหญ่มากนะลึกมากอลัลลอฮฺซワฮตะลาบอกว่าลงไปในสถานที่ที่แค่ ولقد ر ن ا لجهنم كثيرا من الجن و ا ن س เนี่ยอ sort of ือในสุรนลอารับอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى บอกว่าจะให้แต่เด็กๆให้นรกยานนำเนี่ยเต็มไปด้วยไปด้วยกับด้วยกินแล้วก็มนุ่นเต็มความแคบนี่บ่งบอกถึงความอัตคัด ความเจ็บปวดความยุ่งยากความยากลำบากอีกตอนหนึ่งทั้งทั้งที่ถูกเผาแล้วแต่ยังถูกเผาในที่แคบไร ล, ล, ล่ะไอ้หลวงพ่อมันเป็นตาบีดมันเป็นอะไรครับการพนณนาการบรรยายที่ที่อะไรครับที่แทบใจจินตนาการได้ว่าคุกว้างไหมคุกแต่เวลาเข้าไปเนี่ยไม่มีที่ขยับรู้ไหมในคุกเวลานี้ หาโอกาสไปเยี่ยมคุกบ้างนะพวกเราเดี๋ยวจัดไปกิจการนักเรียนไหว้ตาลเมายก็ได้พานักเรียนไปดูคุกหน่อยไปเยี่ยมคนคุกหน่อยไม่ใช่ไปดูถูกเขาไปเรียนรู้จากเขาว่าเขาอยู่กันอย่างไร <c oughs> อาจจะไปละหมาดวันศุกร์พร้อมกันเดี๋ยวเด๋ยวจ ะ, จ ะ, จ, ะจะลองดูที่มันกว้างเนี่ยแต่คนชาวนรกที่เข้าไปไปอยู่ในที่แคบ นอนนะครับนรกเปนไบ้าไอ้นรกคุกในบางประเทศนอนหงายไม่ได้นอนตะแคงอย่างเดียวที่เขาบอกว่าแน่นเหมือนปลากระป๋องนั่นแหละครับทำไมมันกอ่ออะไรครับก่อจราจนเท่าไไรเนี่ยมันมันมันไม่รู้จะทำยังไงแล้วนะครับติดคุกเล็งอยู่ในที่แคบอีกเมื <laughs> ่อานั้นใบยี่กันไม่ยังไม่พอแถมให้อีกอย่างมุกกรนี มุกอันีถูกล่ามโซ่เอามือม่อมามื่อผูกติดอะไรกับกับคออยู่ในท่าไหนก็ไม่รู้มึงมันจะไปทำชั่วที่ไหนอีกอ่ะใส่ใส่โซ่ใส่ทวนขนาดนี้เข้าคุกแล้วมันยังใส่ทวนอีกใจะไหมนักโทษชั้นไหนจะเดิน拉ด拉ดโซ่เนาะขอโทษ ยันก็เคยเข้าไปคลองเปรมเคยเข้าไปบางขวางไปสอนคนในคุกะนะครับไปสอนไปคุณตาบ้าบ้างอะไรบ้างหลายหลายต่อหลายครั้งเนี่ยครับเขาเรียกนักโทษชั้นเลวนักโทษที่ที่คดีอุกชะกันใส่ตรวนครับมื อ, อยังใส่โซ่อีกอยู่ในคุกแล้วคุกที่มีกําแพงที่มีอะไรต่างๆมีการคุม้มนานอันยังนาแ น, น่นขังลงขังเดียวแต่ยังใส่ตรวนอีกอยู่ในคุกแล้ว โมกธรณีสุภาสุภานรกคุกนี่จำลองนะครับภาพย่อยๆของนรกญาันนำได้มกุกธรนีความหมายสองอย่างมุกธรณีก็คือเอาเบอถูกล่ามไว้กับคอนะครับในอายะอื่นมีอีกนะครับที่โทษตัวอะไรต่างคือมีมีอะไรต่างทั้งเท้าทั้งมือทั้งเท้าอีกความหมายหนึ่งก็คือว่า เอาเป็นคู่เลยคู่เห็นไหมเวลาเวลาตำรวจมาแถลงข่าวเนี่ยโจรสองคนกุญแจมือใสยังไงใส่ไปด้วยกันไปไหนเราไปฆ่าเขาด้วยกันไปก่มขืนเขาด้วยกันเราก็ไปด้วยกันตลอดแหละไปในคุกเราก็ไปด้วยกันติดกันไปเลยครับติดกันไปเลยสองคนหมวกอรไรนีนติดกับใครมีกอรีนกิติดกับใช้ตอนตัวที่อยู่กับเราแหละ แต่ละคนมีชัยตอนประจาตัวเลยมีชัยตอนประจาตัวตัวนี้แหละคอยอยุ่ยแยเราตามอยู่ยยู่ยแยแล้วเราก็ตามมันในวันอาคไรัตเอาโลสวาตลาให้เผยโฉมแล้วก็ใส่กุญแจมือทั้งสองเลยไปเดินมุกอรนีนไปเป็นคู่เป็นคู่เลยนี่ความหมายที่สองที่นักวิชาการเนบอี่บายไว้ดาว พอเจอสภาพอย่างนั้นแล้วาขอประกาศเรียกร้องร้องอะไรครับคูนาริกะตรงนั้นสุบูรอขอความไหยนาขอความตายขอความพินาศโอ้ความพินาศจงเกิดแก่ฉันเถิดโอ้ความหายนาจงเกิดแก่ฉันเถิดหมายความว่ายังไงตอนอยู่บนโลกนี้ขอหัหย ไม่ขอตายนอกจากว่านอกจากว่าคนที่ว่าไม่มีทางออกแล้วก็ขอตายไม่กี่วันนี้เกือบไปนะดาราชื่ออะไระไม่ติการพเพียงยังไปรู้เรื่องดาราป <c oughs> <c oughs> ิดหวังความรัก คิดสั้นฆ่าตัวตายกินยานอนหลับไปกี่เม็ดก็ไม่รู้อาจยานอนหลับเกือบไปครับเกือบไปน่าสงสารนะไม่มีอัลลอฮฺสวะฮ์ตัラーคิดว่าผู้ชายมีคนเดียวในโลกน่าสงสารมากเลยคิดว่าความรักนี่มีแค่ครั้งเดียวท่านั้นจบเสียดายที่เขาไม่มีอัลลอฮฺสวะฮ์ตัラーในขณะไหนคนหนึ่งดไรคนหนึ่งเจออัลลอฮฺ ใครอ่านุกเจอหรอไม่เจอหรบางคนหนึ่งไม่เจอยังไม่เจอหวังว่าขอดะอัลลอฮฺมาฮาต a l l a ให้อัลลอฮฺมาฮาต a l l a านำทางขอจะได้โอ้ชีวิตอย่างนี้ น, นี่มันมันมันปกตินะครับอัลลอฮฺมาฮต a l a ah ไม่ประสงค์ให้อยู่กับคนนี้ไปเจอคนอื่นที่ดีกว่าก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับถ้าแต่งงานแล้วมีเหตุ ที่มันฉุดวิสัยที่จะอยู่ไม่ได้ก็เลิกรากันเรื่องปกติคุณก็ไปแต่งงานใหม่ผมก็ไปแต่งงานใหม่ก็นี่คือโลกนี่คือชีวิตนี่คือเรื่องปกติที่ต้องยอมรับไม่ได้เรื่องอะไรจะไปจมปลักอยู่ตรงนั้นอันนี้ครับคนที่ไม่มีอิสลาม เราสวาทละเราอยู่มันนู่นนี่ไม่อยู่วันหนึ่งคนก็ตายไปอถ้าเราแต่งงานอยู่แต่งงานอยู่เนี่ยวันหนึ่งสามีของเราก็จากไปผมก็ต้องตายจากภรรยาภรรยาก็ถ้าไม่ผมตายก่อนแล้วภ ร, รรยาตายก่อนมีแค่สองนี่อยู่ด้วยกันวันหนึ่งก็ต้องเหลือคนเดียวหรือไม่ก็ตายทั้งสองคนก็คแค่นั้นชีวิตบระลนุนนี้ถ้ามีถ้ามีอัลลอฮ์ถ้ามีอิสลามอนะ ตงลงว่าขอความหายนะทำไมขอความหายนะคิดว่าความหายนะนั่นจะพ้นไงคนเราที่คิดว่าฆ่าตัวตายเนี่ยคิดว่าฆ่าตัวตายแล้วสบาย <c oughs> มันคิดผิดสุดๆเลยเพราะถ้าเชื่อชีเรื่องชีวิตหลังความตายตายแล้วมันไม่จบไงครับตายแล้วมันไม่จบคุณต้องไปเจอกับการลงโทษอีกคุณฆ่าตัวตายแล้วคุณต้องไปเจอกับการลงโทษของลอสวาหัตลาอีก ใครที่ไม่สบายใจใครเท่มิ่งวายเข้าหาอัลลอฮฺมานักเรียนลูกลูกลูกสาวลูกบ่าวลูกชายนะครับใครที่ไม่มีความสุขใครที่รู้สึกสับสนวุ่นวายเข้าหาอัลลอฮฺมาฮะตาละอนัน ก, กราดูอัลลอฮฺละมาตอัลลอหฺหายหาอัลลอหฺหายแต่เขานักเรียนเราไม่สบายเจ้าคิดมากอะไรต่างๆ หาโลสมหาตาลาอย่าไปผูกไว้กับมนุษย์อย่าไปผูกไว้กับสิ่งนั้นอย่าไปปักใจกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดจนกระทั่งวชีวิตของเราต้องมีอันเป็นไปถ้าเรียนหนาหรือเรียอะไรไม่ได้ก็อย่าไปโดดตึกสอบเอ็นทันไม่ได้หวังว่าจะได้เข้าแพทย์หวังว่าจะได้เข้าพยาบาลหวังว่าจะได้เข้าอะไรครับนะสาขานน้นสาขานี่พ่อแม่ก็บอกว่าต้องลูกต้องทําให้ได้นะถ้าไม่ได้เนี่พ่อแม่จะเสียใจมากพอสอบไม่ได้โดดตึก และเอล่ il allah, าให้ละลอศาสนาไรสอนแบบนี้ <c oughs> น, นี่ครับคือไม่เชื่อรางวัลเมีมันคิดซะเราไปเรียนไราชาวสวนที่ดีกว่านายแพทย์ ก, ก็มีเยอะชาวสวนผ่านโรงคนเก็บขยะที่ดีกว่าอะไรครับที่ดีกว่าหมอก็มีเยอะเขามีคุณธรรมมากกว่า แล้วทำไมเราไปคิดนะเราไปคิดแค่นั้นนะครับอัลลอฮ์เนี่ยเขาขอความหหยนาไปนรกแล้วอยากขอความนะว่าจะให้จบสักทีเถอะแต่มันไม่จบในนรกขรีดีนะพี่หะ <c oughs> และอัลลอฮ์ปวดเจ็บปวดจริงๆนะครับอายะที่ ส, สิบสี่ละตาดาวันละตาดาว์เยาเมตุบูรวากิดา ว่าดาวทุบระกศิรออัลลอฮ์ซ้ำเติมันจริงๆเลยชาวนารกอัลลอฮฺสั่าซ้ำเติมซ้ำเติมซ้ำเติ ม, ตมทั้โลกนี้ถ้าใครซ้ําเติ ม, ใ ค, ตมใครแบบนี้มันมันโอดคนจะประนามว่ามันโหดร้ายเหลือเกิน แต่ทำไมต้องซ้ำเติมขนาดนี้เพราะให้โอกาสสุดๆแล้วเราพูดเราคีมคุณผิดตอนกลางคืนตอนเช้าคุณเปลี่ยนเสียคุณผิดเมื่อวานวันนี้คุณเปลี่ยนเสียคุณผิดเดือนที่แล้วเดือนนี้คุณเปลี่ยนเสียคุณผิดมาเก้าเดือนสิบนะครับ11เดเดือนเดือนนี้คุณเปลี่ยนเสีย อัลลอฮฺสวาฮาตาลาให้โอกาสจนกระทั่งว่าลูกกระเดือกถึงลำคอยังให้โอกาสะอาดวงอาทิตย์ไม่ขึ้นทางตะวันทิศ ต, ตะวันตกและไม่ตกทางทิศ ต, ตะวันออกยังให้โอกาสในการตาบัดตัวแก้ไขเสี้ยแต่คุณไม่แก้ไขไม่แก้ไขนี่แหละครับอัลลอฮฺสวาฮาตาลาซ้ำเติมซํำเติมยังไงพอร้องขอความหายานณะความพินาศอัลลอฮฺสวาฮาตาลาให้ประกาศว่าลาตเดาอันโยวันนี้อยากขอครั้งเดียวนะ อยากขอความพินาครั้งเดียวนะสุบูเราว่าให้ได้ยาอยากขอความพี่นาเพียงครั้งเดียววดเราสุบูเราเกสุบูเราสุบูรัรรงเกทีเราขอเยอะๆเลยจะขอเท่าไรให้ขอไปเถิดเพราะมันไม่มีความหมายอะไรที่จะช่วยลดยนได้แล้วขอสักร้อยสักพันสักมื่นจบแล้วมันจบแล้วให้โอกาสมาม า, มากแล้วคุณจะ มาถือขาผมคุณจะมาอ้อนวอนคุณจะคลานมาคุณจะกราบคุณมันหมดโอกาสแล้วไงขอไปเถิดและอลิละห์นี่คือการซ้ำเติมคนที่ปฏิเสธอัลลอฮสวาตลาในวันเพียรมัอ้อพอฟังเรื่องราวของนรกแล้วลองเปรียบเทียบสิลองกลับไปเรื่องเดิมสิ א ذ َา ق ُ ل أذالك خير أم جنة الخلد التي وايد متقون คุณจงกล่าวเถิดว่าอันนี้เนี่ยดีหรือว่าแบบนี้แบบไหนแบบที่ชาวนรกเจอเนี่ยดีกว่าหรือว่ายันนะหรือว่าสวนสวรรค์อันสถาพรอันยืนยาวอันยาวนาน จะนับเนลลสวนสวรรค์ที่ยืนยาวตลอดการสถาพรนั้นได้ถูกสัญญาไว้ให้กับใครอันมุตตะูนอัลลอฮมัจันนามินัมุตตะกีนอัลลอฮมจันามินัมุตตะกีนอัลลอฮมจันามินัมุตตะกีนอัลลอฮซุฮเตลาียมสวค์วให้ กุด no ีบะอาลัยค okay ุมเสียกัมากุดีบะอาลัยละดีน้มิคบลิกุมละอันละกุมตัตตะปูนเจอกันพอดีเลยกำลังสบันาตะวาก็หล่อสวาห์ตะลังกาณัลาหุมจัจเจ้วะนาซีรอสวนสวรรค์อันสถาพรนั้นเป็นรางวัลตอบแทนให้สำหรับพวกเขาสำหรับบรรดาคนสมหรับมุตตะกูล ว่ามาซีรอเป็นปลายทางที่พวกเขาจะได้เจอแน่นอนไปถึงตรงนั้นแน่นอนอินชาอัลลอฮุต้อลลาหละหุมในสวรรค์จะได้อะไรบ้างครับละหุมละหุมฟีฮามายาชาอูนัคอลีดีนกาณาลาอั บิกาวาดัมมัสูลาได้อะไรบ้างเอาย่อๆนะได้อะไรบ้างในนั้นพวกเขาจะได้มายาชาอูลได้ตามที่ปรารถนาที่ต้องการคนเราถ้าได้แค่นี้ถามว่าจะเอาอะไรอีกต้องการอะไรได้ทั้งนั้นเลยสารพัดนึกในสวรรค์ ในบางอายาวัลเราได้นามาสีดเราจะเพิ่มให้อีกนะครับซียาดได้ยนได้ชมพระพักของอลาาัลลอฮฺสุลฮะตะลาพอดีอยู่ในนั่นชั่วกาลนานที่เบือเ่อเพราะอะไรครับเพราะไม่ได้ดังใจ ถ้าได้ดังใจมันจะยาวนานขนาดไหนอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบินาลามินขอลีดีจะยาวนานขนาดไหนยาวนานอย่างไม่สิ้นสุดไม่เป็นปัญหากาณาเรื่องนี้เรื่องที่จะตอบแทนให้กับบรรดาคนมุตกินด้วยสวรรค์ที่ในนั้นมีสิ่งที่พวกเขาต้องการทั้งหมดกาณาลาเป็นเรื่องเป็นหน้าที่ของพระผู้เป็นเจ้าของพวกท่านว่าดันเป็นสัญญา ที <t ik> Allah ha, i i ่อัลลอฮฺสุลฮฺตะลาได้ให้สัญญาไว้และสัญญานั้นมัซูลาถูกถามหมายถึงว่าทุกครั้งที่ถูกขออัลลอุฮตะลายูจีบยซัวะยูจีบยซานะฮัวะยูจีบซุบฮฺฮานุวะต้าลาอัลลอฮฺสุลฮฺตะลาขออะไรได้ทั้งนั้นต้องการอะไรได้ทั้งนั้นเลยขั้มเบิดละขั้มเบิดไปนั้นดูอาบัตอัลลอฮฺไม่นาหนาสักการนจันน Allahumma inna nas'alukan jannah Allahumma inna nas'alukan jannah wa na'udu bi kamin al-nar wa na'udu bi kamin al-nar a l annah, um na a l a h u m a j i n n a min al-nar Allahumajanna ah min al-muntaqin Amin ya Rabbi alamin كَبْرُ uh. وَنِكَارُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ و َ ر َ